อัปปะอุตรเถระประธานประวัติในดิจฉาของพระอัปปะอุตระเถระพระอัปปะอุตระเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระสิทธัะโล ก, ก น, นาถผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วขพเจ้าได้นําหมู่ญาติของขพเจ้ามาทําการบูชาพระาธาตุเนื้อกลับที่94นับจากกลับนี้ไป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 วิชาสามเข้าพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกขแปและอภินญาหกเข้าพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอั ป, ประอุตตรเถระ ได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการชนิอประอุตระเทราประธานที่เจ็ดจบ 8. พัทชิเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระพัทชิเทระพระพัทชิเทระเมื่อจะประกาป ร, ระวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าลงสู่สะโบครณีที่ช้างนานาชนิดอาศัยอาบยินเดิมยิน ถอนเง่าบัวในสระบกรณีนั้นขึ้นมาเพราะเหตุต้องการจะกินสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตระผู้ทรงผ้ากาสาวะรุ่งเรืองดุจน้าสีทองเสด็จเหาะไปในอากาศครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงสบัดผ้าบางสกุล ข, ข้าพเจ้าได้ยินเสียงจึงแงหน้าขึ้นดูได้พบพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ข้าพเจ้ายืนอยู่ณที่นั้นเองได้ทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าน้ำผึ้งพร้อมทั้งเง่าบัวน้ำนมเนยใสยที่มีอยู่ในก้านบัวมีอยู่ขอพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุจงรับเพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์เถิดลำดับนั้นพระศาสนาผู้ประกอบด้วยพระกรุณามีพระยศยิ่งใหญ่เสด็จลงจากอากาศ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุส่งรับพิกษุหานของข้าพเจ้าเพื่อทรงอนุเคราะห์ครั้นทรงรับพิกษาหานแล้วเรียกระทาอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าว่าท่านผู้มีบุญมากขอจง ม, มีความสุขเถิดคติจงสำเร็จแก่เธอเลื่องการถวายเงาบัวนี้เธอจงได้รับความสุขอันไพยบูนเถิดพระจินนะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระ ครั้นตรากพระดํารับนี้แล้วทรงรับพิกษุฐานาแล้วเหาะไปทางอากาศลําดับนั้นข้าพเจ้าถืงเงาบัวกลับมายังอาสมของข้าพเจ้าแขวนเงาบัวไว้ที่ต้นไม้แล้วระลึกถึงฐานของตนครั้งนั้นลมพายุใหญ่ก็เกิดขึ้นได้พัดป่าให้ปั่นป่วนครั้งนั้นอากาศบันลือลั่นและฟ้าผ่าลงมาลําดับนั้น สายฟ้าพาลงที่ศีรษะของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้นั่งตายในที่นั้นเองข้าพเจ้าประกอบด้วยบุญกรรมจึงเป็นเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตทิ้งไว้แต่ซากศพข้าพเจ้าอภิรมย์อยู่ในเทวโลกเทพอักษรแปดหมื่นหกพันนางล้วนประดับตกแต่งอย่างสวยงามโปรนิบัติข้าพเจ้าทั้งเช้าและเย็นนี้เป็นผลแห่งการถวายเงาบัวครั้งนั้น ข้าพเจ้ากลับมาเกิดยังกําเนิดมนุษย์เป็นผู้มีความสุขข้าพเจ้าไม่มีความทร่องในโพคะเลยนี้เป็นผลแนงการถวายเง่าบัวข้าพเจ้าอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้คงที่พระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์แล้วอาสวะทั้งปวงก็สิ้นไปบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายเง่าบัวไว้ในครั้งนั้น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 คำสั่งสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระพัตชิเทระได้ภาศิขทาเหล่านี้ด้วยประการศนิพัตจิเทราประธานที่แปด 9. สิวกะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระสิวกะเทระพระสิวกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปสัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เสด็จเที่ยวบินธบาตอยู่ข้าพเจ้าเห็นบาทที่ว่างเปล่าจึงได้ถวายขนมกลุ่มมาจนเต็มบาท เนกกลับที่เกอนับจากกลับนี้ไปเขาพรเจ้าได้ถวายภิกษาวัยในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายขนมกลุ่มมากกิเลสทั้งหลายเขาพรเจ้าก็เผ า, าได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพรเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพาเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพาเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่ะพระสิวกะเทระได้พาสุขคถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้สิวกะเทระประธานที่เก้าจบสอุปวานะเทระประธานประวัติในเดจจ่าของพระอุปวานะเทระพระอุปวานะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าพระชินนะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระ พูดถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงรุ่งเรืองดังกองไฟสเสด็จดับขันทัปรินิพานแล้วมหาชนมาประชุมกันบูชาพระตถาคตสร้างจิตกาทานอย่างงดงามแล้วยกพระสริระขึ้นวางไว้ชนเหล่านั้นทั้งหมดพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถวายพระเพลิงพุทธสริระแล้วรวบรวมพระาธาตุพากันสร้างพุทธสถูปไว้ณที่นั้น สถูปชั้นที่หนึ่งทำด้วยทองคําชั้นที่สองทำด้วยแก้วมณีชั้นที่สาม ท, 3, ทำด้วยเงินชั้นที่สี่ทำด้วยแก้วผลึกที่พระสถูปนั้นชั้นที่ห้าทำด้วยแก้วทับทิมชั้นที่หกทำด้วยแก้วลายชั้นที่สูงสูงขึ้นไปจากนี้ทำด้วยแก้วทั้งหมดร่างร้านทำด้วยแก้วมณีภไยทีท่านสําหรับวางเครื่องสักการะทำด้วยรัตนะ องพระสถูทําด้วยทองคำล้วนสูงขึ้นไปหนึ่งโยชนั้นมูเทวดามาประชุมกันณที่นั้นแล้วร่วมปรึกษากันว่าถึงพวกเราก็จะสร้างพระส์ถูเพื่อบูชาพระโลกนาผู้คงที่พระบรมสารีเรือกระาตไม่แยกกันคือรวมเป็นกลุ่มเดียวกันพวกเราจะสร้างพระสถูครอบไว้ที่พระพุทธสถูว์นี้ มูเทพเที่ยขยายพระสถูปให้สูงขึ้นไปอีกหนึ่งโยชน์ด้วยรัตนนาทั้งเจประการพระสถูปองค์นั้นจึงมีความสูงสองโยน์ซึ่งส่องสว่างขจัดความมืดได้ครั้งนั้นพวกหน้ามาประชุมกันณที่นั้นแล้วร่วมปรึกษากันว่ามนุษย์และเทวดาเหล่านั้นได้พากันสร้างพระพุทธสถูปเสร็จแล้วพวกเราอย่าได้ประมาทกันเลยมนุษย์และเทวดาไม่ประมาทกันแล้ว ถึงพวกเราก็จักสร้างพระสถูปเพื่อบูชาพระโลกนาถผู้คงที่พวกนาคพากันรวบรวมแก้วมรกตแก้วมหานินและแก้วมณีโชติรสช่วยกันประดับพระพุทธสถูปครั้งนั้นพระสถูปทั้งองค์สาเร็จด้วยกแก้วมณีจนกระทั่งเป็นพุทธเจดีสูงสามโยต์ส่องแสงสว่างสวยัยครั้งนั้นพวกครุฑมาประชุมกันแล้ว ร่วมปรึกษากันว่ามนุษย์เทวดาและนาคเหล่านั้นได้พากันทําพุทธบูชาแล้วพวกเราอย่ามัวประมาทอยู่เลยมนุษย์นาคและเทวดาไม่ประมาทกันแล้วถึงพวกเราก็จะสร้างพระสถูปเพื่อบูชาพระโลกนาถผู้คงที่ครุฑเหล่านั้นได้สร้างพระสถูปครอบพระสถูปแก้วมณีทั้งองค์แม้พวกเขาก็ได้ขยายพระพุทธเจดียให้กว้างออกไปอีกหนึ่งโยชนั พระพุทธสถูปสูงขึ้นไปอีกสี่โย์รุ่งโรดย่อมส่องสว่างไปทั่วทุกทิศดุจ ด, ดวงอาทิตย์อุทยัยครั้งนั้นพวกกุมภันมาประชุมกันแล้วร่วมปรึกษากันว่ามนุษย์เทวดานาคและครุฑก็ เ, เป็นเหมือนกันหมดต่างก็ได้พากันสร้างพระสถูกที่อุดมพวกละองบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพวกเราย่ามัวประมาทกันเลย มนุษย์และเทวดาไม่ประมาทกันแล้วถึงพวกเราก็จะสร้างพระสถูปเพื่อบูชาพระโลกนาถผู้คงที่จากใช้รัตนะทั้งหลายประดับพระพุทธเจดีย์ให้กว้างออกไปกุมภันแม้เหล่านั้นได้ยขยายพระพุทธเจดีย์ให้กว้างออกไปอีกหนึ่งโยชนั้นพระสถูปจึงสูงขึ้นเป็นห้าโยต์ย่อมส่องแสงสว่างสวยัยครั้งนั้นพวกยักษ์เมื่อประชุมกันณที่นั้นแล้ว ร่วมปรึกษากันว่ามนุษย์เทวดาหน้าครุฑและกุมะพันต่างก็ได้พากันสร้างพระสถูปที่ประเสริฐสุดพวกละองบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพวกเราอย่ามัวประมาทกันเลยมนุษย์และเทวดาไม่ประมาทกันแล้วถึงพวกเราก็จะสร้างพระสถูปบูชาพระโล ก, ก น, นาถผู้คงที่นำแก้วผลึกมาประดับพระพุทธเจดียให้กว้างออกไปอีก ยักแม้เหล่านั้นเรียกขยายพระพุทธเจดีย์ให้กว้างออกไปอีกหนึ่งโยต์ครั้งนั้นพระสถูปจึงสูงขึ้นเป็นหกโยต์ส่งแสงสว่างสวยัยครั้งนั้นพวกคนทันมาประชุมกันแล้วร่วมปรึกษากันว่ามนุษย์เทวดานาาปุมะพันธ์และครุตก็เหมือนกันพวกเขาทั้งหมดได้พากันสร้างพระพุทธสถูปในเรื่องสร้างพระสถูปนี้พวกเรายังไม่ได้สร้าง ถึงพวกเราก็จะสร้างพระสถูปบูชาพระโลกนาถผู้คงที่ครั้งนั้นคนทันเหล่านั้นสร้างภัยทีเป็นเจ็ดแห่งแล้วได้ทาธงและฉัดไว้พวกคนทันได้ช่วยกันสร้างพระสถูปซึ่งสำเร็จด้วยทองคําล้วนครั้งนั้นพระสถูปสูงขึ้นเป็นเจ็ดยชดส่งแสงสว่างไสวจนไม่รู้กลางวันหรือกลางคืนเพราะมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลา ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พร้อมทั้งดวงดาวก็ข่มแสงพระสถูปนั้นไม่ได้ในที่ประมาณร้อยโยต์โดยรอบแม้พระทีตก็ไม่ชดช่วงโดยการนั้นมนุษย์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจะบูชาพระสถูปพวกเขาไม่ขึ้นไปยังพระสถูปเพียงโยนเครื่องสักรระขึ้นไปบนอากาศยักษ์ที่มีนามว่าอภิสัมมตตะซึ่งเหล่าเทวดาตั้งไว้เพื่อรักษาพระสถูป คอยรับธงหรือพวงดอกไม้ไปบูชาให้ยิ่งขึ้นชนเหล่านั้นไม่เห็นยักษ์นั้นคงเห็นแต่พวงดอกไม้ของยักษ์ลอยไปอยู่พวกเขาทั้งหมดเห็นแล้วอย่างนี้เมื่อตายไปจึงไปสู่สุคติมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่พอใจในพระพุทธพส์และมนุษย์ทั้งหลายที่เลื่อมใสศาสนาผู้มีความต้องการจะเห็นปาฏิหาริย์จึงพากันบูชาพระสถูว ครั้งนั้นเขาพระเจ้าได้เป็นคนรับแจ้งอยู่ในกรุงหงสาวดีเห็นประชาชนพากันรื่นเริงบันเทิงใจจึงคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่ามูชนเหล่านี้พากันดีใจไม่เคยอิ่มถึงสั ก, กระซึ่งปรากฏที่เรือนแห่งพระทาตของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่แม้เราก็จะทำสั ก, กระบูชาพระโลกนาถผู้คงที่ เป็นธรรมทายาทของพระองค์ในอนาคตการข้าพเจ้าจึงใช้ผ้าห่มของข้าพเจ้าที่ช่างย้อมซักไว้อย่างดีคล้องไว้ที่ปลายไม้ไผ่แล้วจึงยกขึ้นเป็นธงในท้องฟ้ายักอภิสั ม, มตะหยิบธงของข้าพเจ้านำไปนในท้องฟ้าข้าพเจ้าเห็นแต่ธงสะบัดพลิ้วเพราะสายลมจึงทําความร่าเริงให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งข้าพเจ้าทําจิตให้เลื่อมใสายในธงนั้นแล้ว ก็ไปหาพระสมณะมาพิว่าพระภิกษุรูปนั้นแล้วจึงถามถึงวิบากในการบูชาด้วยธงพระภิกษุรูปนั้นมีความยินดีมากต่อข้าพเจ้าจึงกล่าวถ้อยคําที่ทำความปิติให้เกิดเกิดข้าพเจ้าว่าท่านจักได้สวยวิบากแห่งธงนั้นตลอดการกองทัพสี่เหล่าคือพลช้างพลมา้าพลรถพลเดินเท้าจักแวดล้อมท่านเป็นนิจ นี้เป็นผลแห่งการถวายทงเครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นกลองที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามจักแวดล้อมท่านเป็นนิจนี้เป็นผลแห่งการถวายทงสาวรุ่นแปดหมนพันนางล้วนประดับตกแต่งสวยงามสวมใส่ผ้าอาพร์อันงดงามพ้อยต้มหูกแก้วมณีเมตากลมโตมีปกติร่าเริงรูปร่างงามเอวเล็กเอวบางจักแวดล้อมท่านเป็นนิจ นี้เป็นผลแห่งการถวายทงท่านจะรื่นรมในเทวโลกตลอดสามเหมืนกับจะเกิดเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอดแปดสิบชาติจกเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพันชาติจกเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูณ์นับชาติไม่ท่วนในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศ า, าสดาพระนามว่าโคดมตามพระโส์ ทรงสมภพในราชสกุลโอกา ก, าก ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลกท่านถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจุติจากเทวโลกประกอบด้วยบุญกรรมจะเกิดเป็นเผ่าพันธุ์ของพรามท่านจากละทิ้งสมบัติประมาณแปดสิบโกรและท่ากรรมกรจำนวนมากแล้วบวชในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมท่านมีชื่อว่าอุปวานะ จากให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้ประเสริฐแห่งวงสากยะผู้ประเสริฐทรงพอพระไทัยแล้วเป็นสาวกของพระศาสดากรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้เนื้กับที่หนึ่งแสนได้แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัตภาพนี้ข้าพเจ้าหลุดพ้นดีแล้วจากกิเลสดึจความเร็วแห่งลูกศรที่พ้นไปจากแกล้งข้าพเจ้าเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วเมื่อข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรด เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ชนทั้งหลายจากโบกธงประจำตลอดที่สามโยตโดยรอบทุกเวลาเนื่องับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยเนี้เป็นผลหนึ่งการถวายธงกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าข้เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้ากระถอนได้แล้วเขาพระเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุปวานเถระได้พาสิ์คาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อุปวานเถราประทานที่สิทธจบ 11. รัฐบาลเถราประทานประวัติในดิตชาของพระรัฐบาลเถระพระรัฐบาลเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายช้างประเสริฐมีงางงอนงามสมควรเป็นพานะแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่พญาช้างนั้นงดงาม ด, ด้วยสเสวติตชัิพร้อมทั้งเครื่องประดับและความช้างข้าพเจ้าให้ตีราคาทั้งหมดนั้นแล้วให้สร้างสังขารามด้วยราคาช้างนั้น ข้าพเจ้าให้สร้างปราสาทห้าหมื่นสี่พันหลังบำเพ็ญทานตุดห่วงน้ําใหญ่มอบถวายพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระสยามโูพุทธเจ้าผู้มีความเพียรมากเป็นบุคคลผู้เลิศได้ทรงอนุโมทนาแล้วเมื่อจะให้ชนทั้งหมดเรื่นเริงทรงแสดงอมะตะบทแล้วพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระประทับนั่งในถ้ากลางภิกษุสงฆ์แล้ว ทรงพยากรณ์กรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าบุคคลผู้นี้ให้สร้างประสาท5้า0มืนสี่พันหลังเราจะกล่าวผลวิบากของเขาพวกเธอจงฟังเรากล่าวเถิดเรือนยอดหนึ่งหพันหลังจะเกิดมีและเรือนยอดเหล่านั้นสำเร็จด้วยทองคำล้วนเบื้องเกิดขึ้นในวิมานชั้นสูงสุดผู้นี้จะเกิดเป็นจอมเทพ พรองเทวสมบัติตลอดห้าสิบชาติจะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าสิบแปดชาติเลขกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากาคาก ร, ราจับอุบัติขึ้นในโลกเขาถูกกุศลมวลตักเตือนแล้วจากจุติจากเทวโลกบังเกิดในตระกูลที่มั่งคัง่งมีโภคะเป็นอันมาก เขาจะกมีชื่อว่ารัฐบาลภายหลังถูกกุศลนมมลตักเตือนแล้วจึงออกบวชเป็นสาวกของพระาศาสดาเขามีจิตเด็ดเดี่ยวยินดีเพื่อบำเพ็ญเพียรสงบระงับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานเขาพระเจ้าขวนขวายออกบวชละโภคสมบัติไม่มีความรักในโพคะซึ่งเหมือนก้อนเขละ ข้าพเจ้ามีความเพียร น, นำพาธุระไปอันเป็นเหตุนำทำเป็นแดนกระเมจากโยคะมาให้ข้าพเจ้าทรงร่างกายอมินในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตักกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระรัฐบาลเถระได้พาสิทธถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้รัฐปาลเถราประทานที่สิบเอ็ดจบยะสาวกที่ห้าสิหจบบริบูรณ์ร่วมอปทานที่มีนิวักษ์นี้คือหนึ่งยะสาเถราประทาน 2. นาทีกัสปะเทราประทานสขยากัสปะเทราประทาน 4. กินีละเทราประทานหวัชีปุตตะเทราประทาน 6. อุตระเทราประทานเจอประอุตระเทราประทาน 8. พัทธิเทราประทาน 9. ศิวกะเทราประทานส0อุปวานะเทราประทาน สิบเอ็ดรัฐปาลเถราประทานในวักนี้บัณฑิตนับาถาได้หนึ่งร้อยเก้าสุห้าคาถาเถราประทาน จ, บ พ, าาน จ, จบพุทธาประทานปัจเจกกะพุทธาประทานและเถราประทานจบเพียงเท่านี้